ถ้ามันมีเสียงดังขึ้นหรือยอย่างน้อยก็ต้องปิดโทรศัพท์ซะก่อนหลบข้อว่านะเพราะว่ามันถึงจะรวยก็คงจะไม่รวยในเดี่ยวนี้ถ้าจะจนก็คงจะไม่จนในเดี่ยวนี้เช่นเดียวกันเพวัะนั้นนะช่วงนี้เป็นช่วงฟังธรรมเป็นช่วงที่ตั้งตั้งใจฟังทางด้านจิตใจเอานำธรรมะเข้าสู่จิตใจเพวัะนั้นให้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 สมชั้นทั้งล่างเต็มหมดผระสง์เป็นหมื่นนะอพอครั้งที่สองมาเองนีเ่เพราะว่าเรื่องมันยังไม่จบนะใกล้เข้ า, าไปจะประชุมกันอีกหลวงตามาอีกพอมาครั้งที่สองอหลวงพ่อทองเนี่ยท่านติดธุระไปบวชที่สิงคโปร์และอะไรนี่ลักษณะอย่างนั้นแหละอพอมาถึงแล้วทีนี้พอได้เวลาประชุม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 มาออกคราวนี่เขากเราก็ไม่มั่นใจหลวงปู่ทองท่านจะหลบไปที่ไหนก็ใม่ราบอีกเหมือนกันแต่ตามตามให้จริงเราเท้าถามถึงเอ็กกุยจานทำไมหลวงปู่เพราะว่าท่านก็ไม่ว่าพรรษาท่านก็ไม่เกินหลวงพ่อเท่าไหร่ใช่ไหมละ่ะหลวงท่านพรรษา63สิใช่ไหมละ่ะหลวงพ่อเนี่ยพรรษา51นะลูกหลานนะแ1กับ63ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ใช่มละ่ะเราก็ถามาเป็นไงกูยจานเนี่ยจริงไม่มาประชมุมทั้งที่ นัดประชุมภาพเป็นหลายหมื่นนะ่ะอแต่ไม่มีอะไรแล้วผมไปทุกละแต่ก็เรายังก็กิ่งใจกระทัางทุกวันเลราก็ยังไม่เชื่อท่านอยู่ว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าเอท่านคงจะมีอะไรเนะพราะครั้งที่สามมาอีกทีนี่หลวงพ่อก็หาข้อมูลต่างๆไปแล้วแต่ไม่ไม่มั่นใจว่าเพราจริงๆพันธกตทุกละอีกเหมือนกันไปบวชพระอหมือนกันเถอะแต่นี่หลวงพ่อก็เออ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 วัวตัวใหญ่ต้องอยู่ข้างล่างวัวตัวเล็กต้องอยู่ข้างบน เ, เพื่อวัวมันหมดกําลังมันก็จะได้ไปพิงอิงอาศัยวัวที่มีกําลังตัวใหญ่อยู่ข้างล่างนี่แหละวัวที่เป็นจ่าฝูงก็ยังเป็นถึงจะเป็นสัตว์ที่ไดุร้ายขรานก็ยังเป็นฉัตที่เป็นสัตว์ที่ฉลาดนําจ่าฝูงนําฝูงไปสู่จุดหมายปลายทางนี้ก็เหมือนกันมนุษย์ชาติของเราก็เหมือนกัน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 สายกรรมฐานสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในประเทศไทยมีมากหลากหลายทุกวันนี้แต่ถึงย่งไงก็ตามเราอย่าแปลกใจเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนมีอยู่40นะกรรมฐาน40มีพุท ธ, ธาธรรมมาสังคาศีราจาคาเทวะตาอาณาปานาสติมรณนุณตติอุปสมานุสติกรรมฐาน อนุสติสิบอนุสติคือกรรมฐานที่ควรนมเลือกถึงจากนั้นกสินสิบเองที่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วเนี่ยที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้คือกรรมฐาน40่สิบี่สบอย่างแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านพ่อรีของเราหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของสายหลวงปู่มั่นท่านเอามาสองอย่าง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 ในองคติปทาที่หลวงพ่อได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่อเป็นเนนน้อยของหลวงปู่ล่านะเป็นเนนน้อยเป็นเนน2อ0 5ันห้านะเนน2อ0 5บวชปี2500ันหวัดอโศกรามแห่งนี้ก็เหมือนกันนะปีนั้นท่านพ่อรีท่านพ่อรีของเราบวชพระ2อ0 5นห้านะหลวงปู่สิงห์ทองท่านยังเคยมามาร่วมหลวงตามหาบัวก็เคยมาเทศนะ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 จากนั้นทางก็ปฏิบัติวันที่สองวันที่สา ม, มวันที่สองก็ไม่แพ้วันหนึ่งเที่หงวันหนึ่งกันพอวันที่สามรู้สึกเออสติรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นพอวันที่สีเออรู้สึกวา่าสติของเราทันออยินใจพอวันที่ห้าที่หกมาออบอกกับตัวเองได้แล้วว่าใจของเราจะไม่เสื่อมออสมาธิของเราดีมากเลยแน่นปึงเลยนี่แหละ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 เออสติกับจิตที่ควบคุมกันเออมันไม่เผลอแล้วก็มันไม่สงบแต่ยังได้ยินเสียง э เสียงคนเสียงสัตว์เสียงฟ้าร้องเสียงรถเสียงอะไรยังได้ยินแต่ว่าใจของเราไม่ไปตามเสียงที่ได้ยินนั้นคือมันไม่สง่งไปมันก็รู้ว่าเสียงแต่สัตว์ก็เสียงเออเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าสัตว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นแต่มันไม่ไปตามสัญญาอารมณ์ก็ว่าสติควบคุม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 จากนั้นเมื่อเข้าสมาธิจุดนั้นแล้วมันก็ถอนขึ้นมาเอพอได้กาหนดถอนบางคนก็อยู่ได้นานนะถ้าเป็นผู้ชำนาญแล้วก็อยู่ได้นานถ้าอยู่พาพไม่ชำนาญก็อยู่ไม่ได้นานเข้าไปประเดียวประดาวแล้วก็ถอนออกมา อ, ออกมาเป็นอุปจารสมาธินี่แหละอันนี้คือสมาธิถึงจะปฏิบัติอย่างไรท่านกย็ยอมรับท่านพูดว่ามีอยู่สมระดับคันนี้การสมาธิคือจิต เข้าสงบเข้าเป็นคลั้งคราวประเดียวประดาวอุปจาระคือจิตใจที่มีสติสัมปันชัญ้นญาติควบคุมควบคุมตัวผูร้รู้ควบคุมใจดวงนั้นอยู่ให้อยู่ในกรอกให้พร้อมที่จะทำงานอะไรได้ก็จะติของเราพร้อมดูจิตใจของเราไม่ทะเลทลัยไม่ออกนอกลู่นอกทางอันนี้เราว่าอุปจาระสมาธิ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 พอจากนั้นมาบังคับจิตใจอยู่ในความสมบางบพอจิตใจเข้าสู่ความสงบได้แล้วน ะ, ะท่านก็นํามาพิจารณาแยากส่วนแบ่งส่วนของร่างกายพิจารณาดู ก, กระดูกทุกท่อนท่านบอกว่าต้องพิจารณาให้ละเอียดนะคลายเหมือนกับเราคาดคาดนาอย่างนั้นแหะคาดมูนคาดมูลไถ่อย่างนั้นนะคาดไปคาดมาคาดไม่ใช่แบบคาดครั้งเดียวนะไม่ใช่มันจ ะ, ะแตกกระจุยกระจายแค่จนเห็น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 ก็เอาจิตใจของเรากำหนดอยู่ในจุดนั้นจ่ออยู่ในจุดนั้นไม่ให้มันไปทางอื่นอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิให้พวกเราฟังเอาไว้นะอันที่หลวงตาท่านสอนนะปัญญาอบรมสมาธิใครเขา้าใจใช้ความคิดความคิดนั่นคือปัญญาแต่ไม่ให้มันออกนอกมูอนอกถางให้มันอยู่ในกายของเราให้เห็นกระดูกทุกทอดมันเป็นตรงไห น, นถ้าเห็นเรากระดูก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 เห็นร่างกายของตนเองเมื่อเห็นร่างกายตนเองแลเห็นร่างกายของคนอื่นจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจ่ใจตัวนี้เราไปหลงไปหลงเรื่องต่างๆไปหลงร่างกายว่าเป็นของทีรังทาวนหลงโลกหลงทางใจของเราน่ไปหลงในสิ่งต่างๆพอนำมาพิจารณาถึงตัวของเราคือตัวผู้รู้คือใจที่ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจมันไปหลงอะไร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 อ, อจากนั้นก็อิทิพิโสพระกวารังอยากายเยยะวาจาข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพา ง, งพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวายจาด้วยใจขอพระพุทธเจ้าโปรดโอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสํารวมระวังต่อไปและก็สวากาโตสุปฏิปโ น, โนจากนั้นก็แผ่เมตตาทีนี้ปนมือขึ้ื่นละว่างทําใจเฮ น, นิ่งพอเนิ่งเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาเราจะว่าอหางสุขิตโตโหมีก่อนก็ได้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 อย่างที่ข้าไปเจ้าปราถนาทุกๆกดวงใจทุกๆกดวงวิญญาณด้วยเถิดเรานึกในใจของเรานะอันนี้ทําให้จิตใจของเราไม่ผูกกรรมทําเวรผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าเวรจะระงับไม่ได้ถ้าหากพวกเราจังจองเวรกันอยู่เวรจะระงับได้ถ้าหากพวกเราไม่จองเวร เพราะฉะนั้นการจองเวรกันไม่เป็นพ้นดีใช่คราวนี้เราชนะเขาแต่เขาวหน้าเขาชนะเรานะเนี่ยมันพลิกฝั่งพลิกหงายอยู่อย่างนั้นในโลกวัฏสงสารเพราะนั้นเราจะไปปราถนาอะไรจะไปจองกคำจองเวรกับดวงวิญญาณไข่เราไม่พึงปราถนาะทั้งนั้นเมื่อเราแผ่เมตตาจบเรียบร้อยแล้วนะ เ, เราก็นั่งคัดสมาธิขาขวาทับข า, ข า, ขาซ้ายจากนั้นก็ปั่นมือขึ้นแล้ววางอกซะก่อนนะ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 พวกเราเขาดเหลือขาดตกอะไรประโยชน์ต้นคืออะไรถึงเราจะทํามาค้าขายมีเงินสร้างเงินมีเงินทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็เถอะนะเราออกไปด้วยไม่ได้สักอย่างมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นที่จะนําพวกเราไปสู่ปรโรภัยภาคหน้าตายแล้วไม่สูงตายแล้วเกิดในหลักธรรมคาสอนพุทธะจากนั้นก็ประโยชน์ท่าน